จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราชสอ5พราเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุข เพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตจิตใจที่เรายัางสามารถที่จะเพิ่มให้มีมากขึ้นไปได้ตอนนี้เรามีความสุขทางร่างกายเต็มที่แล้วหรือร่างกายเราไม่ขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยสี่คือมีอาหารรับประทานมีที่อยู่อาศัย มีเครื่องนุ่มห่มมียารักษาโรค mm. ก็แสดงว่าเรามีความสุขเต็มที่แล้วสำหรับทางร่างกายต่อให้มีปัจจัยสี่มากไปกว่านี้ mm. ก็ไม่สามารถเพิ่มความสุขให้มีมากไปกว่านี้ได้ถ้าเป็นเหมือนตุ่มน้ำน้ำก็เต็มแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกเท่าไหร่ mm. มันก็จะล้นออกมา ความสุขที่เราได้รับจากทางร่างกายก็เหมือนกับน้ําที่เราใส่ตุ่มน้ําเราได้เต็มที่แล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้จากร่างกายเราต้องมาเติมความสุขที่ใจเพราะใจนี่เหมือนสระน้ํากว้างใหญ่ไพศาลสามารถบรรจุน้ําได้มากกว่าตุ่มน้ํา น้ำนั้นตอนที่ตุ่มน้ำเต็มแล้วควรจะเอาน้ำไปเติมในสระอย่าไปเติมในตุ่มน้าเพราะไม่ได้ความสุขเพิ่มกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้กับร่างกายเพราะถ้าเรากินมากเกินไปร่างกายเราก็จะอ้วนน้ำหนักก็จะเกินแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเช่นโรคเบาหวานเชนโรคความดัน โรคไขมันอุดตันอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการเติมความสุขให้กับทางร่างกายมากเกินไปแทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษแก่ร่างกายถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราต้องมาควา้เติมความสุขที่ใจใจเป็นเหมือนสะน้ำตอนนี้มันแห้ง ใจเราไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่มีแต่ความทุกข์กันเพราะแทนที่จะให้น้ำกับใจเรากับใส่สารพิษให้กับใจให้ยาพิษกับใจอะไรที่ทำให้เป็นยาพิษทำให้ใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองการหา ข้าวของต่างๆเงินทองต่างๆของเหล่านี้แทนที่จะทําให้ใจเรามีความสุขความอิ่มกลับทําให้ใจเรามีความหิวมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธี เพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของเราการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความอยากนี้จะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆอยากมากขึ้นแล้วพอเราไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เราก็จะทุกข์ใจเสียใจเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะเพิ่มความสุขให้แก่จิตใจแก่ชีวิตของพวกเราวิธีจะเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราต้องเพิ่มด้วยการทำบุญให้ทานต้องเพิ่มด้วยการรักษาศีลต้องเพิ่มด้วยการภาวนาต้องเพิ่มด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมนี่เป็นวิธีที่จะเพิ่มความสุขให้แก่ใจของเรา แทนที่เราจะเอาเงินทองไปเที่ยวอย่างวันนี้เราเอาเงินทองมาทาบุญความอยากไปเที่ยวก็จะถูกสกัดถูกกาจัดเมื่อเราไม่มีความอยากเที่ยวต่อไปเราก็อยู่เฉยๆได้อยู่บ้านก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวเราก็จะติดอยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆ พอวันไหนไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็จะมีความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาหงุดหงิดลําคานใจนี่คือวิธีที่เราจะกําจัดความทุกข์ให้กับใจของเราและเพิ่มความสุขให้กับใจของเราด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อไปทําอะไรตามความอยากต่างๆมาทําบุญทําทานแทน เวลาเราทำบุญทำทานเราจะได้ทั้งความสุขใจและลดความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากต่างๆ ต, ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากจะใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่จาเป็นแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายาะเป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดนะ เวลาเสพยาเสพติดแล้วมันติดเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์คนที่เสพกับคนไม่เสพยาเสพติดใครสบายกว่ากันคนไม่ติดยาเสพติดนี้สบายกว่าคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดการไปเที่ยวก็สู้คนที่ไม่เที่ยวไม่ได้คนที่ไม่เที่ยวอยู่บ้านเฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ไม่ต้องไปดิน้นโน่นหาเงินหาทองแต่คนที่เที่ยวนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินด้วยความยากลำบากแล้วพอได้มาก็เอามาใช้หมดและเวลาที่ไม่มีเงินหาไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทำบาปไปช่อโกงไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวง นี่เป็นการหาความทุกข์ใส่ใจการใช้เงินตามความอยากต่างๆเช่นเห็นเสื้อผ้าที่เขาขายในร้านก็อยากได้ทั้งๆที่เสื้อผ้าที่บ้านก็มีอยู่เต็มตู้ไม่ขาดแคลนไม่ซื้อก็ไม่ตายแต่อยากจะซื้อถ้ามีเงินก็ฟักกระเป๋าซื้อเลยถ้ามีบัตรก็ลูดเลย แล้วก็ต่อไปเงินก็จะไม่พอใช้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นอะไรชอบก็อยากซื้อทันทีทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ <c oughs> นี่เป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดยาซื้ อ, อเอาเงินซื้อยาเสพติดเอาเงินไปซื้ออาหารฉันใดเราอย่าเอาเงินไปทำตามความอยากเอาเงินมาทำบุญ เงนิงนที่เราทำบุญนี่เหมือนกับเงินที่เราไปซื้ออาหารให้แก่ใจพอเราทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจพอใจมีความภูมิใจอันนี้เป็นวิธีเพิ่มความสุขให้กับใจของเรากับชีวิตของเราด้วยการใช้เงินให้ฉลาดใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับจิตใจ อย่าใช้เงินให้เกิดโทษกับจิตใจควรจะหยุดใช้เงินซื้อของไม่จำเป็นต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นเหมือนการซื้อยาเสพติดให้มาซื้ออาหารแก่ใจด้วยการทาบุญทำทานถ้าเราทำบุญทำทานไปเรื่อยๆ เ, เราจะมีความสุขมากขึ้น แต่ก็ยังมีความสุขที่มากกว่าการทำบุญให้ทานที่เราสามารถที่จะทำได้เป็นลำดับต่อไปถ้าเราทำบุญทำทานได้เราจะมีความเมตตาเราจะมีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่น mm hmm. ก็จะทำให้เรามารักษาศีลได้มาระบาปได้เพราะคนทำบุญจะไม่ชอบทำบากนั่นเองก็จะทำให้เรา สามารถเพิ่มบุญเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตเราเพราะการไม่ทำบาปนี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคนที่ทำบาปกับคนที่ไม่ทำบาปใครจะสบายใจกว่ากันเวลาไปลักขโมยกับคนไม่ลักขโมยใครจะสบายใจกว่ากันเวลาโกหกกับเวลาที่ไม่โกหกใครจะสบายใจกว่ากันใครจะมีความสุขมากกว่ากัน นี่คือความสุขเอกระดับหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มให้กับชีวิตของเราได้ด้วยการละการกระทามบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเราละการกระทามเหล่านี้ได้เราจะกําจัดความไม่สบายต่างๆให้หายไปได้อีกมากแล้วจะทําให้เราสบายใจเพิ่มมากขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรายังทำทานไม่ได้เราจะเห็นว่าการรักษาศีลนี่ยากเพราะคนที่ไม่ทำทานนี้แสดงว่าอยากมีเงินมากๆอยากเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก็เลยทำให้ทำทานไม่ได้แล้วก็จะทำให้รักษาศีลไม่ได้เพราะถ้ารักษาศีลจะทำให้การไปหาเงินนี้มันยาก พอค้าแม่ค้านี่เขามักจะมาบ่นว่ารักษาสินแล้วขายของยากเพราะเวลาขายของมักจะต้องโกหกคนซื้อไม่ได้บอกความจริงสินค้าไม่ดีก็บอกว่าดีสินค้าถูกก็บอกว่าแพงเพื่อที่จะได้ขายได้เงินเยอะๆนั่นเองอันนี้จึงทำให้คนที่ไม่ทำทานทำบุญนี้รักษาศินไม่ได้ เพเขามีความโลภอยากได้เงินแต่คนที่ทำบุญทาทานนี้เขาไม่มีความโลภอยากได้เงินเพราะเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อตามซื้อของตามความอยากต่างๆเขาเอาเงินมาทำบุญการทำบุญจะทำให้ความอยากใช้เงินซื้อของต่างๆนี้น้อยลงไปแล้วทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจเพิ่มมากขึ้นจะทาให้ไม่เดือดร้อน เวลาเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าตามร้านขายของเห็นแล้วก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือคุณประโยชน์จากการทำบุญทำทานทำให้มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงแล้วทำให้เราเพิ่มความสุขได้อีกระดับหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่ทำบาปห้าข้อแล้วพอถ้าเราทำ ไม่ทำบาป5้าข้อได้เราก็จะมีกำลังที่จะละอีกสามข้อเพื่อที่จะรักษาศีลแปดการรักษาศีลแปดก็จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะได้งดการกระทาที่ทำให้เกิดความทุกข์กับเรานั่นเองเช่นการร่วมหลับนอนกับแฟนเวลามีแฟนก็สุขดี แต่เวลาไม่มีแฟนมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากจะนอนแต่ไม่มีแฟนนอนด้วยแต่คนที่ถือศีลข้อนี้ได้ละเว้นการหลับนอนกับแฟนได้เวลาไม่มีแฟนหรือเวลาแฟนไม่อยู่ก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้คือการเพิ่มความสุขด้วยการรักษาศีลแป สิข้อหก็จะทำให้เราไม่ทุกข์กับการรับประทานอาหารมากเกินไปเช่นเราถือศินแปดเราก็จะรับประทานเพียงไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันเราก็หยุดไม่กินพอเราหยุดไม่กินได้ต่อไปเราจะไม่หิวเวลาที่ไม่ได้กินข้าวเย็นถ้าเราเคยกินข้าวเย็นเป็นประจำพอวันไหนไม่ได้กินข้าวเย็นเราจะทุกข์ขึ้นมาทันที คนที่ไม่กินข้าวเย็นนี่สบายกว่าคนที่ต้องกินข้าวเย็นเพราะว่าคนที่กินข้าวเย็นก็ต้องหาข้าวมากินอยู่เรื่อยๆส่วนคนที่ไม่ต้องกินข้าวเย็นก็สบายถึงเวลาเย็นก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาข้าวมากินแล้วก็ละการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตามโรงละครโรงภาพยนตร์ต่างๆ อันนี้ก็จะทำให้เราอยู่บ้านได้อย่างสบายมีความสุขคนที่ชอบไปเที่ยวตามโรงภาพยนตร์โรงละครไปเที่ยวตามผับตามบาร์ตามสถานบันเทิงต่างๆพอวันไหนไม่เที่ยวก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาต้องมีสักวันหนึ่งที่ไม่ได้เที่ยวเช่นเวลาไม่สบายก็เที่ยวไม่ได้เวลาไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้ เวลาไม่มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยก็ไม่ได้ไปนะเวลาไม่ได้ไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่คนที่ถือศีลแปดได้ก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขามีกิจกรรมที่เขาสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวก็คือนั่งสมาธิกันคนที่รักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลามีกำลัง ที่จะมาควบคุมใจให้นั่งเฉยๆให้ใจสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการไปเที่ยวนี่คือวิธีสร้างความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมาถ้าเรานั่งสมาธิได้ต่อไปเราก็นั่งได้เรื่อยๆเพราะการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องใช้อะไร ไม่ต้องไม่ต้องมีแฟนมานั่งด้วยไม่ต้องมีโรงภาพยนตร์มาดูไม่ต้องมีแหล่งบันเทิงให้ไปนั่งสมาธินี้อยู่กับบ้านก็ได้อยู่กับวัดก็ได้ถ้าอยู่วัดได้ยิ่งดีเพราะวัดเป็นที่สงบกว่าอยู่ที่บ้านการนั่งสมาธิให้มันสงบได้ง่ายต้องนั่งในที่สงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมารบกวน ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวก็มีคนนั้นทำนู่นทำนี่เดี๋ยวคนนั้นก็เปิดทีวีดูคนนั้นก็เปิดเพลงฟังคนนั้นก็ทำกับข้าวกินข้าวเย็นถ้าเราอยู่ใกล้กับเหตุการณ์เหล่านั้นใจของเราก็จะวุ่นวายเพราะเรายังมีความอยากอยู่พอเห็นเขากินเดี๋ยวก็เกิดความอยากกินขึ้นมาก็จะทำให้ไม่มี กำลังที่จะมานั่งสมาธิได้ดังนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องหาที่สงบที่เงียบไม่มีอะไรมารบกวนทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยู่ที่บ้านก็ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดประตูปิดน่านตาเปิดแอร์แล้วก็นั่งอยู่ในห้องอย่างนั้นก็ยังพอจะนั่งได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปอยู่วัดกัน ไป ห, หาที่สงบกันไปนั่งสมาธิเพราะความสุขที่ได้นั่งจากการนั่งสมาธินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการได้เงินทองร้อยล้านพันล้านเหนือกว่าความสุขที่ได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเหนือกว่าความสุขที่ได้แต่งงานกับดาราภาพยนตร์ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้วิเศษกว่าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสะละราชสมบัติไม่ได้พระพุทธเจ้ามีความสุขระดับพระราชกุมารมีภาษาสามฤดูมีนางสนมกำนันมาคอยบำรุงบำรเลอมีดนตรีให้ฟังอะไรต่างๆมากมายแต่พระองค์กลับไม่ชอบกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ เพราะว่าต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายก็จะไม่หาสามารถหาความสุขแบบนี้ได้ท่านจึงไปหาความสุขที่สามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เราสามารถหาได้ตลอดเวลาเวลาแก่ก็หาได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาได้เวลาตายก็หาได้นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะความสุขที่เราได้รับจากการมาเกิดนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงไม่มาเกิด วพราะอาหลันตสาวลทั้งหลายท่านจึงไม่มาเกิดเพราะท่านมีความสงบมีความสุขทางใจมีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาแต่การไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านหายไปสูญไปตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถติดต่อกับเราได้ท่านอยู่ในโลกที่พวกเราติดต่อกันได้เพราะเรามีร่างกาย ถ้าเราไม่มีร่างกายเวลาเราตายไปเราก็ไม่สามารถติดต่อกับพวกที่มีร่างกายได้จนกว่าเราจะกลับมามีร่างกายใหม่กลับมาเกิดใหม่เราถึงจะมาติดต่อกับคนที่มีร่างกายได้แต่การมีร่างกายมันไม่ดีตรงที่ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันต้องดิ้ดนรนต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆเกิดมาก็ต้องดิ้ดนรนหา หาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องอยังมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการไม่มาเกิดดีกว่าการมาเกิดและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องทําใจให้มีความสุขทําใจให้สงบพระพุทธเจ้าเลยสละราชสมบัติแล้วออกบวชแล้วก็ไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบ พอใจสงบก็มีความสุขยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในวังแล้วก็เวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ja ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือวิธีเพิ่มความสุขของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้เพิ่มได้ทำจนสาเร็จแล้วเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเรา จึงอุตส่าห์นำความรู้นี้มาสั่งสอนพวกเราสอนให้พวกเรามาหาความสุขมาเพิ่มความสุขทางใจกันด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ฉลาดเพื่อให้รู้ว่าการสร้างความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหน อยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบของใจไม่ใช่อยู่ที่การทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะไม่มีวันที่จะให้เราพอได้เราจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะเสียใจทุกใจยังอยากไปหาความสุขจากการทำตามความอยากให้หาความสุขจากการมาทำบุญทาทาน มารักษาสีลีมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ น, นี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้นะเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ขอให้ทำเท่านั้นแหละที่ที่ไม่ทาที่ไม่ทำไม่ได้ก็เพราะไม่ทำกัน ชอบไปเที่ยวกันชอบไปดูหนังฟังเพลงกันก็เลยไม่มาทำบุญทาทานไม่มารักษาศีลไม่มานั่งสมาธิกันนั่นเองถ้าเราอยากจะทำเราต้องมีความตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะไม่ได้ทำดังนั้นถ้าเราอยากจะทำอยากจะเพิ่มความสุขตางใจต่อไปนี้เราจะต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะเอาเงินไปเที่ยวเราจะเอาเงินไปทาบุญแทน ถ้าเราจะทำบาปเราจะรักษาศีลแทนถ้าเราจะดูหนังฟังเพลงเราจะนั่งสมาธิแทนต้องตั้งใจเมื่อถึงเวลาพอจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็บอกว่าอ๋อเราตั้งใจจะเอาเงินมาทำบุญเราก็จะได้ทำบุญพอเราจะทำบาปพอเราตั้งใจว่าจะรักษาศีลเราก็จะไม่ทำบาปพอเราจะดูหนังฟังเพลงเราก็จะมานั่งสมาธิแทน ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไปตามความคิดของเราพออยากจะไปเที่ยวก็ไปอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ซื้ออยากจะทำบาปก็จะทำแล้วเราก็จะไม่มีวันเพิ่มความสุขให้กับใจเราได้มีแต่จะคอยเพิ่มความทุกข์ให้กับใจเราอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้ดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนใจด้วยความตั้งใจตั้งใจใหม่ว่าต่อไปนี้เราจะทาบุญทาทาน เราจะรักษาสีเราจะนั่งสมาธิกันแล้วเราจะทำกันได้แล้วเมื่อเราทำแล้วเราก็จะได้ผลแล้วเราก็จะได้ความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัต เพื่อความสุขที่จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขที่สมบูรณ์ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลตัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย